ต่อไปนะว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายภาษายตนะหประการนี้ที่บุคคลฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสํารวมดีแล้วย่อมนำสุขมีประมาณยิ่งมาให้ภาษายตนะหประการอะไรบ้างคือภาษายตนะคือจกักขูที่บุคคลฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสํารวมดีแล้วย่อมนำสุขมีประมาณยิ่งมาให้ บทว่าสุขาที่วาหาหนติความว่าย่อมนํามาซึ่งสุขมีประมาณยิ่งอันต่างด้วยฌานและมรรคผลเป็นตน้นนะสุขประมาณยิ่งก็คือสุขในฌานสุขในมรรคผลเพรามันถ้าหากว่ารู้จักฝึกคุ้มครองรักษาและสํารวมเป็นอย่างดีถ้าหากว่าเราเน้นปัจจุบันจนเกินไปนักโดยที่เราไม่ฝึก ไม่ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องภาษายัตนาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเนี่ยนะภาษายัตนาที่เป็นปัจจุบันบางอย่างถามเออทำใจได้หรือเปล่าทำใจไม่ได้หรอกยกตัวอย่างเช่นเราต้องพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยนะพอเห็นเข้าจริงๆทำใจได้ที่ไหนยกตัวอย่างผู้มีพระคุณชักอย่างเงี้ย โอ๊ยไม่ตกใจไม่ตะดุ้งแหมจิตมั่นคงเหลือเกินเหมือนพระอาหารหันต์นี่นะดูหายากอย่างน้อยที่สุดก็หวนไหวก่อนละนะการพลดัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยนะในขณะที่ภาษายตนะประชุมกันในขณะนั้นเนี่ยแล้วจากเนี่ยนะส่วนใหญ่จะทำใจไม่ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการประจบกับภาษายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะอันไม่เป็นที่รักเห็น เช่นประสบกับเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยนะภาพบางอย่างที่ที่ไม่น่าดูเลยอะ่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำใจได้ยากยกตัวอย่างรถมาเบรข้างหน้าอี๊อย่างเงี้ยนะทำใจโอ้อันนี้ก็ยากพราะก็ต้องฝึกมาเป็นอย่างดีจริงๆศึกษาฝึกเรียนรู้แยกแยะวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องภาษายัตถณะทั้งสามการเนี่ยนะวิเคราะห์ทั้งหมดเลยแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าพระพุทธพจน์โดยเมื่อ เป็นร้อยสูตรเลยนะอย่างถึงอดีตอนาคตและปัจจุบันอตีตานนาคตาปัจจุบันนั่งใช้แบบนี้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นจะต้องสามารถที่จะแยกแยะมองอดีตมองอนาคตและอย่างถึงปัจจุบันให้ได้เนะแล้วก็เพราะว่าอดีตอย่างไรอนาคตอย่างไรปัจจุบันนี้ก็จะคล้ายคลึงกันอ่ะนะข้อความอื่นๆก็นัยยะเดียวกัน แต่ว่าที่น่าสนใจมากก็คือในคาถาว่าพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสวยากรณาพาสิณนี้แล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเพีกโสทั้งหลายบุคคลผู้ไม่สำรวมนะใช้คำว่าสำรวมนะสังวรเนี่ยมี5อย่างไม่สำรวมภาษายตนา6ประการนั่นแหลในอายตน6ประการ ย่อมประสบทุกเนี่ยนะบุคคลผู้เว้นจากการสํารวมเนี่ยนะในอายตนะทั้งหกไม่มีสังวรศีลนะไม่มีสังวรศีลในภาษายตนะทั้งหกอ่ ะ, ออะเจนทพรอนนันเดียวกันนะไทยใช้คําว่าสํารวมแต่ว่าอมความไว้ทั้งห้าคำนะสังวรเฉยๆเนี่ยผู้ที่ไม่มีสังวรเนี่ยเว้นขาดจากความสังวรทั้งห้า ย่อมประสบทุกข์บอกว่าผู้ที่ไม่สังวรนี่คือใครคือปุตุชนผู้ไม่ได้สดับปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่พบพระอริยะผู้ไม่เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเนี่ยนะไม่มีวินัยของพระอริยะคือสังวรวินัยกับปหานวินยัยเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่สัมรวมก็คือบอกได้เลยว่าเขาเหล่านั้น เป็นปุตุชนผู้ไม่ได้สดับจะต่างจากอริยะสาวกของเราก็คร่อมอยู่ในสองระหวังเนี่ยนะว่าสองอย่างเนี่ยช่วงไหนเอาคําสอนมาใส่ก็เพื่อเป็นอริยะสาวกต่อไปช่วงไหนลืมคําสอนหมดเลยก็เป็นอันทะปุตุชนไปขณะนั้นนั้นตรงนี้ผมอยากจะให้ท่านพระอาจารย์ช่วยช่วยขยาย ชํารวมห้าเนี่ยนะครับหรือสังวรห้านี่นสังวรหเนี่ยสมมติตัวอย่างยกขึ้นมาทักอย่างแล้วสังวรยังไงได้ห้าอย่างเจนท่ายกตัวอย่างเลยนะเช่นสีทางตาที่เราเห็นอยู่เนี่ยหนึ่งคนเลยนะเอาคนที่เราเกี่ยวข้องมาหนึ่งคนเนี่ย เราสามารถล่วงอกุศลกรรมบทอะไรได้บ้างถ้าเป็นพระพิสูจน์เนี่ยนะอันนี้จะง่ายหน่อย <Okay. S 1> เช่นเกี่ยวข้องกับคนนี้เนี่ยเป็นประราชิกได้ไหมมีคนนี้เกี่ยวข้องกับคนนี้เป็นประราชิกข้อหนึ่งได้ไหมข้อสองข้อสามข้อสี่เกี่ยวข้องกับคนนี้สังขาธิเศษหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบบสามได้ไหมเกี่ยวข้องกับคนนี้จะล่วงอนิยตได้ไหมเกี่ยวข้องกับคนนี้ เป็นปัจจัยแห่งนิสกีไหมเกี่ยวข้องกับคนนี้เป็นอบัตปาจิตตีเป็นอบัตทุลใจเป็นอบัตทุกกฎเป็นอบัตทุกภาสิท์ได้ไหมอันนี้เป็นศีลสังวรเนี่ยนะถ้าขาดสังวรเนี่ยก็ปาติโมกข์าสังวรศีล ก, ก็ไม่เกิดอันนี้เป็นศีลสังวรถ้าเป็นคารวะทั่วไปก็น่าจะมาฝึกว่าถ้าเกี่ยวข้องกับคนนี้เนี่ยนะกรรมบทสามารถล่วงได้ทั้งสิบข้อไหมยกตัวอย่างเกี่ยวข้องกับคนนี้ทําปานอธิบัติได้ไหม ธรรมทินนาธานได้ไหมการเมสซมิชขาจามุสาวาจทุสวาจาปิสุณาวาจาสัมผับ ป, ปลาปะได้ไหมเนี่ยนะหมายความว่าถ้าบุคคลนีเ้เราเราเราทราบแล้วว่าถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเราอาจจะผิดศีลด้วยสมมุติเช่นสัมผับ ป, ปลาปะเพราะบุคบุคคนนั้นเนี่ยท่านเชี่ยวชาญในเรื่องสัมผับ ป, ปลาปะ พอเราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราคอยประสมลงไปด้วยถ้าอย่างนี้ให้สํารวมให้ระวังอย่างนั้นใช่ไหมครับ น, นี่นเป็นข้อที่หนึ่งเป็นเรื่องของสีแลสังวรเจนผ่าอันที่สองก็คือสติสังวรเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับคนนี้เนี่ยถ้าสติสัมปชัญญะจะเข้ามาแลประโยชน์ของการเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยคืออะไรเพราะว่าที่ไหนมีสติที่นั่นจะต้องมีสัมปชัญญะขณะแลเห็นเป็นต้นเนี่ยนะ สัทธะสัมปชัญญะมีไหมสปายะสัพสปายะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะและอะสัมโมหะสัมปชัญญะได้ไหมอันนี้เป็นลักษณะของสติสังวรถ้ายานะสังวรเนี่ยนะเจริญวิปัสนาพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นต้นต่อไปได้ไหมอันนี้เป็นยาณสังวรถ้าเกี่ยวข้องกับเขาแล้วจะต้องได้ฟังเสียงที่ไม่ดีบางอย่างทนได้ไหม ที่จะไม่โกรธเนี่ยนะถ้าได้อารมณ์ที่ดีทนได้ไหมที่จะไม่โลภเนี่ยนะเขาบอกว่ามั่นคงทั้งที่เป็นโลกธรรมทั้งที่เป็นดีและไม่ดีเนี่ยนะเขาทําไม่ดีกับเราทําใจได้นี่นับว่าเก่งแล้วนะชื่อว่ามีขันติอย่างสูงแต่ถ้าเขาทําดีกับเราแล้วถามว่าเรายัางทนได้ไหมล่ะอันนี้อันนั้นก็เป็นลักษณะของขันติสังวร อ, อย่างหนะ่ง แล้วก็วิริยะสังวรเนี่ยนะถ้าหากว่าอากุศลเกิดขึ้นเมื่อเกี่ยวข้องกันขยันกําจัดไ อ, ไอ้สภาพที่เป็นบาปเหล่านั้นได้ไหมอันนั้นก็เป็นวิริยะสังวรเพราะในขณะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ต้องหมั่นสงเคราะห์สังวรลงมาเนี่ยนะเพราะว่าในหนึ่งคนเนี่ยนะให้อารมณ์แกเราได้ทั้งหกอย่างในในคนคนเดียวที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยนะ ร, รูปร่างหน้าตาผิวพรรณพวกนี้ก็เป็น สีเป็นเกี่ยวข้องกับภาษายตนะทางตาของเราคำพูดของเขาก็เกี่ยวข้องกับภาษายตนะทางหูของเรากลิ่นตัวของเขาก็เกี่ยวข้องกับภาษายตนะคือคานะเนี่ยนะบางทีเขาจะมีพวกขนมนมเนยเป็นต้นติดไม้ติดมือก็เกี่ยวข้องกับภาษายตนาคือลิ้นของเราเนี่ยนะมีการจับต้องถือแขนเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับภาษายตนะคือทางกาย ที่เหลือในตัวของเขาเป็นภาษายตนาทางใจเนี่ยนะเช่นตั้งแต่พวกชีวิตตินซีภาษาธรูปทั้งหลายแหละไอ้พวกที่เป็นธรรมารมทั้งหลายอ่ะที่ไม่ใช่อารมณ์ทั้งห้าที่มีอยู่ในตัวเขาอันนี้เป็นภาษายตนาทางใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นสงเคราะห์สิกขาสามลงในอารมณ์เหล่านี้ให้ได้อนะอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องฝึกขึ้นเนี่ยนะ เพราะว่าพาเวตประธรรมเนี่ยอยู่ก่อนหน้านี้ไม่มีแต่ทำให้มีขึ้นเมื่อมีขึ้นแลว้วพอกพูนทำให้มากขึ้นเนี่ยนะเพราะนั้นจะต้องหมั่นฝึกให้ดีๆจริงๆ น, นะแต่ถ้าเห็นโทษว่าเออถ้าไม่ฝึกเนี่นำทุกข์มาให้นะต่อไปมันจะยินดีที่จะฝึกนะแต่ถ้าหากว่าคนที่ได้รับอัศาธาบ่อยๆเนี่ยนะก็ไม่ค่อยยินดีที่จะฝึกนี่นะ เพราะอะไรเพราะว่ามันก็ไม่มีโทษอะไรนี่ใช่ไหมเมื่อไม่มีโทษก็ไม่ยินดีที่จะฝึกในศึกขาสามเหล่านี้เพรา ะ, ะนั้นคําว่าฝึกในที่นี้หมายถึงศึกขาสามนะนะเพราะว่าพระภิกษุนั้นไม่เหมือนกับอาชีพอื่นหรือว่าในผู้าศาสนาเนี่ยนะไม่เหมือนกับอาชีพทหารถ้าอาชีพทหารมีการไปออกกําลังกายมีการไปฝึกหัดดัดเป็นต้นแบบอาชีพนั้นๆไปนักกีฬาก็ฝึกแบบนักกีฬาแต่ในพุทศาสนาของเราเนี่ยฝึกด้วยสังวรทั้งห้าประการ ฝึกด้วยปริญญาเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการฝึกฝึกด้วยสมถะและวิปัสสนาส่วนบุคคลเหล่าใดได้รับการสํารวมอายตนะหกประการนั้นบุคคลเหล่านั้นมีศรัทธาเป็นเพื่อนนะคนที่มีศรัทธานะจึงจะฝึกได้ไม่มีศรัทธาก็ฝึกไม่ได้ไม่สารวมว่า ง, งั้นเถอะเป็นผู้ไม่ชุ่มด้วยราคะอยู่นะ บุคคลเห็นรูปที่น่าชอบใจหรือเห็นรูปที่ไม่น่าชอบใจแล้วพึงบรรเทาทางของราคะในรูปที่น่าชอบใจและไม่พึงเสียใจว่ารูปของเราไม่น่ารักคือรูปที่ไม่น่าพอใจที่ได้เกี่ยวข้องได้เห็นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรูปที่น่าพอใจเมื่อเกี่ยวข้องสภาพจิตส่วนใหญ่แล้วเป็นโลภะถ้ารูปที่ไม่น่าพอใจทางใจส่วนใหญ่ก็เป็น โทสะทีนี้จะแก้ปัญหาว่าถ้าโทสะเกิดจะแก้ยังไงโลภะเกิดเนี่ยจะแก้อย่างไ ร, อ, งไรอันโมหะไม่กล่าวถึงก็เป็นอันรู้กันเหมือนกันคือในส่วนตรงนี้จะไม่ขยายมากนะักจะไปขยายอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเรียนเรื่องศีลสังวรแบบพิสดารหน่อยได้ยินเสียงที่น่ารักและไม่น่ารักแล้วไม่ไม่พึงกระหายในเสียงที่น่ารักท่านใช้คากระหายเลยนะแสดงว่ า, าหิวมาก และพึงบรรเทาความไม่ชอบใจในเสียงที่ไม่น่ารักและไม่พึงเสียใจว่าเสียงของเราไม่น่ารักได้ดมกลิ่นหอมที่น่าชอบใจและได้ดมกลิ่นเหม็นที่ไม่น่าชอบใจแล้วพึงบรรเทาวความหมุดหิดในกลิ่นที่ไม่น่าชอบใจและไม่พึงพอใจในกลิ่นที่น่าชอบใจนี่นะถ้าหากว่าไม่เข้าใจในเรื่องสังวรเป็นต้นนันะ มันจะไปทำได้ยังไงเนาะินหอมก็ชอบสิกลิ่นไม่หอมก็ไม่ชอบอย่างง้ น, งกนนะก็จะจะติดง่ายๆแต่ถ้าหาว่าเข้าใจสังวรห้าเนี่ยนะก็จะเห็นคุณของการสังวรและโทษของการไม่สังวรถ้าไม่สังวรเนี่ยมีโทษอะไรยกตัวอยา่างถ้าไม่มีศีละสังวรเนี่ยโทษอะไรจะมาบ้างถ้าไม่มีสติสังวรไม่มียาณาสังวรไม่มีขันติสังวรไม่มีวิริยะสังวรมีโทษอะไร ถ้าสังวรแล้วมีคุณอย่างไรเราก็จะเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ก็ยินดีที่จะปฏิบัติไปตามนี้ได้ลิ้มรสที่ไม่อร่อยและอร่อยและลิ้มรสที่ไม่อร่อยในบางคราวแล้วไม่พึงติดใจลิ้มรสที่อร่อยและไม่ควรยินร้ายในรสที่ไม่อร่อยถูกภาษะที่เป็นสุขกระทบแล้วไม่พึงมัวเมาแม้ถูกภาษะที่เป็นทุกข์กระทบแล้วก็ไม่พึงหวั่นไหว ควรวางเฉยภาษาทั้งสองทั้งที่เป็นสุขและทุกข์ไม่ควรยินดีไม่ควรยินร้ายกับภาษะอะไรอะไรเห็นไหมนรชนผู้สามปัญญาเนี่ยนะหรือนรชนผู้ต่ำสามมีประปัญจสัญญาคําว่าประปัญจ่าเนี้เป็นเครื่องเนิ่นช้าสัญญานี้ก็คือความหมายรู้หรือสําคัญหมายรู้กิเลสเป็นเครื่องเนิ่นช้าได้แก่ตันหามานละและทิฏฐิเห็นไหม นรชนทั้งหลายผู้ตําซมมีประปันจัสัญญาปรุงแต่งอยู่เป็นสัตว์ที่มีสัญญาสัตว์ที่มีสัญญานี้พวกไหนสัตว์ที่มีสัญญาเคยคิดไหมพวกไหนสัตว์ที่มีสัญต้องแบ่งอย่างนี้ก่อนโดยภพสามนะสัญญาภพอาสัญญาภพเนวะสัญญานาสัญญาภพสัญญาภพอาสัญญาภพก่อนนะได้แก่อสัญญสัตว เนวสัญญาณาสัญญาญตพบเนี่ยนี่เป็นพรหมชั้นเนวสัญญาณาสัญญายตนะที่เหลือทั้งหมดเป็นสัญญาสัตว์เป็นสัตว์ที่มีสัญญาเว้นสองพบเว้นอาสัญญากับเนวสัญญาที่เหลือชื่อว่ามีสัญญาเพราะฉะนั้นเป็นสัตว์ที่มีสัญญาพวกใดก็ตามถ้าหากว่ามีปปัญจะสัญญาในธรรมะในอารมณ์ทั้งหมด สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็จะอยู่ในสัญญาในภพที่มีสัญญาในนะก็ ค, <ก>คาว่าสัญญาในที่นี้เป็นชื่อของจิตนั่นเองบางทีก็ท่านท่านยกสัญจิตเนี่ยบางทีก็ยกสัญญาขึ้นเป็นประธานก็มีเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นก็วนเวียนอยู่ใช่ถ้ายินดีในธรรมะเครื่องเนิ่นช้าก็ย่อม เวียนวนคําว่าวนเวียนหรือเวียนวนนี่เป็นชื่อของวัตถะนะก็จะวนอยู่ในกรรมวัตวิปากวัตและกิเลสวัตคิดดูนะเกี่ยวข้องกับอารมณ์หนึ่งอารมณ์เลยนะเพราะว่าในโลกนี้มันก็ไม่พ้นอารมณ์หหรอกหนึ่งอารมณ์นี่นะเป็นวิปากวัตก่อนพอวิปากวัตเกิดกรรมวัตกิเลสวัตบางทีก็ปะปนกันบางทีก็มีแต่กรรมวัตอย่างเดียวกิเลสวัตไม่เกิดกรรมวัตเป็นเหตุแห่งกิเลสวัต กิเลสวัดเป็นเหตุแห่งกรรมวัดมันก็วนอยู่นั่นแหละดงั้นในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เกี่ยวข้องครั้งวิปากวัดกรรมวัดและกิเลสวัดวัตตะสามเหล่านี้ที่เป็นกรมมพบกรรมวัดกิเลสวัดวิปากวัดที่เป็นกามมพบกรรมวัดกิเลสวัดวิปากวัดที่เป็นรูปประพบและรูปประพบมันก็จะหมุนหมมุนไปอย่างนี้ถ้าหากว่ากล่าวตาม พระพุทธคุณบทว่าอารหังนเนี่ยนะอรหังในหัวข้อว่าทําลายซี่กรรมแห่งสังสารจักรท่านขยายว่าอาวิชชาในการมาพบอวิชชาในการมาพบทาให้เกิดสังขารในการมาพบสังขารในการมาพบทาให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณในการมาพปฏิสนธิวิญญาณในการมาพทําให้เกิดนามรูปในการมาพบ นามรูปในการมพ STUDENT, าพบทำให้เกิดสลายตนะทั้งหกในการมาพบสลายตนะทั้งหกในการมพ ster, าพบทำให้เกิดผัสสะทั้งหกในการมาพบผัสสะทั้งหกในการมาพบเนี่ยนะเป็นปัจจัยแกเวทนาหกในการมาพบทีนี้เวทนาหกในการมาพบก็เป็นปัจจัยให้เกิดตันหาหกในการมาพบตันหาหกในการมาพบเนี่ยนะก็เป็นปัจจัยแห่งอุปาทาน อุปาทานก็เป็นปัจจัยแต่พบต่อไปไอ้ภพใหม่นี่ไม่แน่นะอาจจะเป็นรูปประภพก็ได้อาจจะเป็นอรูปประภพก็ได้ก็จะแต่ที่สุดก็คือชาติชราพยาธิมรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตมันก็จะวนอยู่อย่างนี้แหละฉั้นปฏิจจสมุปบาทนะจะวนแบบในกาง ป, ประภพอย่างเดียวก็ได้ในรูปประภพอย่างเดียวก็ได้ในอรูประภพอย่างเดียวก็ได้มองแบบคละเคล้ากันไปก็ได้นี่ยนะ นะถ้าหากว่าเพ่งพุทธคุณบทนว่าอารหรันหักซี่กรรมแห่งสังสาระจักก็จะทำให้มองเห็นอะไรอีกเยอะเหมือนกันอันนี้ขยายตามวิสุทธิมรรคอย่างหนึ่งและก็ขยายตามสมันตะตาสาธิกาอัตถกาถาพระวินยัยในหัวข้อว่าด้วยพุทธคุณในเวรัญชกันก็บุคคลบรรเทาใจที่อาศัยเรือน บันเทาใจที่อาศัยเรือนก็คือใจที่อาศัยกรรมคุณทั้งห้าบันเทาใจที่อาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสอาศัยโพธาเนี่ยนะพันถามว่าทําไมจะต้องไปบันเทาแสดงว่าใจแบบนี้เป็นใจที่เป็นไปกับโลภะโทสะเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะต้องบันเทาใจที่อาศัยกรรมคุณทั้งห้าทั้งปวงแล้วย่อมเปลี่ยนจิตให้ประกอบด้วยเนคขมมะ ในอารมณ์อารมณ์หนึ่งเนี่ยทำให้เนคขมมะเกิดได้ไหมยอย่างะรคำเนคขมมะนั้นแปลว่าเป็นการออกจากกามคําว่าออกจากกามนั้นถ้าเป็นเนคขมมะบารมีได้แก่สมถะส่วนใหญ่นี่ขยายไปเป็นสมถะเลยถ้าออกจากสีที่น่าปรารถนาก็ออกด้วยอสุภะเป็นต้นนั่นเองอสุภะโดยสีโดยสันฐานโดยโอกาสโดยปริเชดเป็นต้นเนี่ยนะจึงจะออกจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ ในการใดที่บุคคลนะในการใดที่บุคคลอ บ, บรมใจดีแล้วคำว่าอบรมก็มาจากคำว่าภาวนาเมื่อไหรที่ภาวนาดีแล้วภาวนาก็คือเป็นชื่อของโพธิปักิยธรรมนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นสติประทานสี่สัมมประธานสี่อิทธิบาทสอินทรีห้าพระละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเนี่ยนะ ในการใดที่บุคคลอ บ, บรมใจหรืออ บ, บรมโพธิปัจขิยธรรมดีแล้วอย่างเนี้นะในอารมณ์6ประการอย่างนี้ในการนั้นจิตของเขาถูกสุขสัมผัสหรือทุกขสัมผัสกระทบแล้วย่อมไม่หวั่นไหวในที่ไหนๆถ้าฝึกด้วยโพธิปัจขิยธรรมจนถึงอรหัตตมรรคแล้วเนี่ยนะจะได้อารมณ์ทั้ง6ทั้งที่ทดีและไม่ดีอย่างไรใจก็ไม่หวั่นไหวไม่ฟูขึ้นและไม่ฟุบลงเอาไว้กัน เพกสูตรทั้งหลายเธอทั้งหลายครอบงำราคะและโทสะได้แล้วย่อมเป็นผู้ถึงจุดจบแห่งความเกิดและความตายอันน้ก็อรหันต์เหมือนกันนะแต่เราฟังแล้วก็ได้ศรัทธา น, นี่ก็ดีแล้วนะได้ทรัพย์คือศรัทธาก็เอาละอีกสูตรหนึ่งนะคือมาลูกกระยะสูตรมาลูกกะยะสูตรกับมาลุงกะยะสูตรในคนละอย่าง มาลุงกะยะสูรนี่มีอยู่ในมัชฌิมนิกายเรื่องพระมาลุงมาลุงกะยะมีอยู่สองสูตรจูละมาลุงกะยะกับมาหามาลุงกะยะแต่เฉพาะตรงนี้มาลุกกยนะนสังยุตตนิกายนี่ชื่อว่ามาลุกะยะมาลุงกะยานี้คนละองกันถามปัญหาคนละนายกันครั้งนั้นท่านพระมาลุกกยะบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับน่ละ จนถึงการนั่งหน้าที่สมควรแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปจากหมเนนะจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจยอยู่เทิดโอ้ขอให้ฟังธรรมะย่อๆหน่อยเถอะ ถ้าฟังแล้วก็จะไปอยู่กายวิเวกเรียกรเรนแล้วแล้วก็จะไม่ประมาเพียนสละกายสละชีวิตเลยแบบนั้นขอให้พระองค์สอนเถอะงานนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์่างนั้นน ะ, ะคำว่าอุทิศกายและใจเนี่ยนะก็คือยอมตายแบบนั้นเถอะเอาที่สุดแค่ฟากตายแบบนั้นตายแล้วก็พอแบบนั้นพระองค์ตรัสว่ามาลุกกยะบุตรในการขอโอวาทของเธอนี้ในบัดนี้ เราจะบอกพวกภิกษุหนุ่มอย่างไรว่าเธอเป็นภิกษุผู้ชราสูงอายุเป็นผู้เฒ่าล่วงการมามากผ่านวัยมามากขอโอวาทโดยย่อนะนั้นอธิกาถ า, าท่านอธิบายว่าบทว่าเอถหได้แก่การขอโอวาทนั้นก่อนเนี่ยนะที่กล่าวอย่างนี้เนี่ยพระองค์ทั้งติเตียนด้วยในคําคํานี้นะพระองค์ก็ติเตียนด้วยและก็ปลอบด้วยซึ่งพระเถระนั้น าถามว่าพระ อ, องค์ติเตียนพระเถระติเตียนอย่างไรในโอวาทนี้ท่านกล่าวว่าได้ยินว่าพระเถระนั้นในเวลาเป็นหนุ่มมัวเมาในรูปารม์เป็นต้นภายหลังในเวลาแก่ปราถนาจะอยู่ป่าจึงขอกำมฐานลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโดยพระประสงค์ดังนี้ว่าเราจะกล่าวกับภิกษุหนุ่มๆในที่นี้ว่าพวกเธอประมาทในเวลาที่เขาหนุ่มในเวลาแก่พึง เข้าป่ากระทำสมณธรรมเหมือนพระมาลูกยระยาบดอย่างนี้ชื่อว่าทรงติเตียนเอ๋ทีตอนเป็นหนุ่มแล้วประมาทมัวเมาเหลือเกินแ่านั้นแถอแก่ๆ แ, แล้วก็จะมาขอกรรมะฐานแล้วจะไปบอกพิสูจนหนุ่มรูปอื่นๆยังไงเดี๋ยวจะเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างพระมาลูกะยะใช่ไหมโอ้ยค่าพระองค์ยังไม่รีบปฏิบัติแร้วเอาไว้แก่กว่านี้ก่อนพระเจ้าข่าอย่า ง, งนะี้นะจะไปบอกพิสูุหนุ่มเหล่านั้นยังไงเนี่ยคล้ายๆว่าวเธอเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะอันนี้ตําหนิก่อน แต่ว่าอ้าวแล้วพระพุทธเจ้าก็ปลอบด้วยนะในคําเดียวกันก็ปลอบด้วยปลอบพระเถระถามว่าเป็นอย่างไรก็เพราะเหตุที่พระเถระนี้ประสงค์จะเข้าป่าทำส ม, มณะธรรมแม้ในเวลาที่ตนแก่ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสโดยพระประสงค์อย่างนี้ว่าเราจะกล่าวกับภิกษุหนุ่มๆในที่นี้อย่างไรมาลุกะยะบุตรของเรานี้แม้ในเวลาเปเแก่ก็ประสงค์จะเข้าป่าทำส ม, มณะธรรม จึงขอกรมาฐานธรรมดาว่าพวกท่านแม้ในเวลาเป็นหนุ่มจะไม่กระทําความเพียรกันหรือนะก็จะเอาท่านนี้เป็นตัวอย่างคิดเห็นไหมนี่ขนาดแก่ขนาดนี้ก็ยังมีใจสู้ชาตินักรบจะประพฤติป ฏ, ปฏิบัติให้พ้นจากวัตทุกท่านทั้งหลายก็ยังหนุ่มยังแน่นโอ้ยก็ดูตัวอย่างเอาบ้างเนี่ยนะการอ่านหนังสือทุกวันเนี่ยทำให้พระหนุ่มเน้นน้อยขยันอ่านหนังสือขึ้นอีกเยอะเลยนะนะบอกโอ้ขนาดพัฒนานี้ก็ยังขวนขวายศึกษาเล่าเรียนพระหนุ่มอย่างเราล่านะ กูอสนอนลจิตก็เกิดขึ้นนะคิดดูนะได้ตัวอย่างเลยเหมือนกันนะคนอื่นไม่เอาตัวอย่างได้ยังไงอนะเนาะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยทั้งติทั้งปลอบอยู่ในคําเดียวกันนะพระองค์นี่ฉลาดมากกันไ ว, เวเ้เบ็ดเสร็จหมดท่านพระมาลูกยบุตรก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้ชราสูงอายุเป็นผู้เท่าล่วงการมามากพันวัยมามากก็จริง ถึงกันนั้นขอพระผู้มีพระภาคผู้สุคตโปรดแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์โดยยอเถิดทำอย่างไรข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคพึงเป็นผู้สืบต่อพระพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคโอ้ยแก่ก็ไม่เป็นไรนะแก่ก็สู้หน้าเหมือนกันแต่ว่าขอสูตรหน่อยเหมือนันขอวิธีการหน่อย ต้องเอาแบบย่อด้วยนะ่เงื่อนไขยเยอะเหลือเกิน่ะนะไปตั้งเงื่อนไขให้เอาแบบย่อด้วยแล้วต้องปฏิบัติตามด้วยนะแล้วสามารถปฏิบัติแล้วก็เอาผลได้จริงๆนะ <c oughs> อ่ะนะโอเนดีนะพระพุทธเจ้ามีภาพมหากรุณาที่คุณไม่มีกิเลสผส ม, มอยู่ในจิตเลยนะ <c oughs> ถ้าไปขอกับภาพมีกิเลสนะโอ้ยโดนเอ็ดกลับมาเนะี่ยโอ้ยเหมงั้นจะมาขอย่อๆโอ้ยจะไปคุยย่อๆได้ยังไงต้องนั่งคุยกันยาวๆอหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็ต่างกันนะคนมีบุญสมัยก่อนก็เกิดทันพระพุทธเจ้าจะไปถามแบบยอ่อพระองค์ก็ให้แบบยอ่อได้จะถามแบบพิสดารก็มานั่งฟังเอาละกันเหมือนกันพระองค์ก็สงเคราะห์ได้หมดแหละถ้ามีบุญนะถา้าไม่มีบุญก็อย่างว่า